เมื่อฉันรู้ว่าเธอจะจากไปในใจมันจังดูเงียบเงินยิ่งได้รู้ว่าเธอกับเขารักกันกระดูจะยากเกินทั้งใจและครั้งนี้ฉันเพียงจะบอก บ่ยครั้งนะที่คิดจะบอกเธอ 嘿。 ก็คิดว่าน้ำตอจะแทนทุกๆสิ่งที่เกินดนอกจากความ